วันนี้วันจันทร์ที่หนึ่งพฤศจาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเป็นวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดทำงานญาติโยมจึงมีเวลาว่างได้พักการทำงานได้เอาเวลาว่างนี้มาทำประโยชน์ ให้กบกับจิตใจของตนพอจิตใจของพวกเรากำลังเดินทางกันออกจากกระแสดึงดูดของวัตตะสงสารเหมือนกับนักอากาศที่นั่งจรวจนั่งยานาวกาศ เพื่อออกจากแรงดึงดูดของโลกเพื่อจะได้ไปสู่อวกาศไปสู่ดวงดาวดวงอื่นการที่จะออกจากกระแสดึงดูดของโลกได้ยานจรวดยานอาวกาศจำเป็นจะต้องมีพลังมากกว่าแรงดึงดูดของโลกจึงจะสามารถ หลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกได้จิตใจของพวกเราที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของวัฏรสงสารของการเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นที่จะต้องสร้างกำลังหรือสร้างพลังให้แก่จิตใจจนมีความ สามารถเริ่มมีพลังมากกว่าพลังของแรงดึงดูดของสังสารวัฏได้ถ้าพลังของจิตมีไม่มากพอสู้พลังแรงดึงดูดของวัฏสงสารไม่ได้จิตก็ไม่สามารถหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้ เราจึงต้องมาสร้างพลังจิตกันสร้างพลังธรรมที่เป็นพลังที่จะดึงจิตให้ออกจากแรงดึงดูดของวัตตะสงสารแรงดึงดูดของวัตตะสงสารก็คือกิเลสตัณหานี่เอง ที่เป็นตัวดึงดูดจิตใจของพวกเราให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารในตายพบในกามบพบในรูปะพบและในอรูปะพบถ้าเราไม่มีพลังธรรมที่จะมาผลักดันจิตใจให้หลุดออก จากกระแสดึงดูดของกิเลสตัณหาจิตใจของพวกเราก็จะไม่สามารถหลุดออกจากวัตฏะสงสารวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ที่ได้หลุดออกจากวัตฏะสงสารเป็นผู้ที่มีพลังธรรมเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ตอนต้นท่านก็เป็นเหมือนพวกเรามีจิตใจที่ยังไม่มีพลังธรรมลักดันมีแต่พลังของกิเลสตัณหาคอยดึงดูดให้พวกเราติดอยู่กับการเกิดในใจพบแล้ววันหนึ่งพระพุทธเจ้าของพวกเราก็เกิดความสลดสังเวชขึ้นมาภายในใจเมื่อทรงเห็นว่า พระ อ, องค์จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายพระ อ, องค์ก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายกับการติดอยู่ในโลกของการเกิดแก่เจ็บตายพระ อ, องค์ก็เลยทรงออกบวชหลังจากที่ได้ทรงทราบว่านักบวชนี้เป็นผู้ที่ หาพลังที่จะผลักดันจิตใจให้หลุดออกจากกระแสดึงดูดของวัตสงสารให้หลุดออกจากกระแสของกิเลสตัณหาที่คอยอดึงคอยดูดให้จิตต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างไม่มีวันสิ้นสุดหลังจากที่พระองค์ได้สละราชสมบัติได้ออกบวชพระองค์ก็ทรงไปสร้างพลังให้แก่จิตพลังธรรมพลังธรรมที่จะทำให้จิตใจหลุดออกจากกระแสดึงดูดของมวิตะสงสารก็คือพลังแห่ง วิริยะความภาคเพียรพลังแห่งสติความระลึกรู้พลังแห่งสมาธิความตั้งมั่นของจิตและพลังแห่งปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะสอนให้จิตนั้นเห็นโทษของการติดอยู่กับ ความโลภความอยากต่างๆนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปฏิบัติหลังจากที่พระองค์ได้สละราชสมบัติได้ออกบว ด, ด้วยจิตที่มีศรัทธาต่อการปฏิบัติต่อการสร้างพลังธรรมขึ้นมา ทรงเห็นว่าการอยู่ในพระราชวังการอยู่กับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสทางลาบยศสระเสริญเป็นเหมือนกับการติดอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายถึงแม้ว่าจะมีความสุขจากลาบยศสระเสริญมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผทพะ แต่ก็ทรงเห็นว่ามันเป็นความสุขในคุกตารางคุกที่มีกำแพงล้อมรอบอยู่สี่ด้านก็คือด้านที่หนึ่งก็คือการเกิดด้านที่สองก็คือการแก่ด้านที่สามก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยด้านที่สก็คือการตายต่อให้มีของวิเศษ อย่างไรมากมายเพียงไรมันก็เป็นความสุขในคุกในตารางสู้ความสุขที่อยู่นอกคุกนอกตารางไม่ได้อยู่นอกคุกนอกตารางก็คืออยู่ที่ไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งเห็น สภาพของชีวิตของพ่อองค์ว่าเป็นเหมือนอยู่ติดอยู่ในคุกถึงแม้ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีมีลาบยศสรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอย่างมากมายแต่ก็ยังถูกความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายนี้มาคอย บีบขั้นจิตใจอยู่ตลอดเวลาความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญนี้แทบจะไม่มีความหมายเลยเวลาถูกความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตาย บ, บ, บีบขั้นพระองค์จึงไม่อยากที่จะต้องติดอยู่ในคุกในตารางไม่อยากจะมีความสุขแบบนอกโทษอยากจะมีความสุขแบบผู้ที่ไม่ได้ติดคุกติดตาราง มีอิสาระภาพไม่มีอะไรมาบีบคั้นจิตใจก็องสงก็เลยมีศรัทธาความเชื่อในวิถีชีวิตของนัก บ, บวชว่าจะเป็นวิถีชีวิตที่จะพาให้จิตใจได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย อ, อ, อันนี้เป็นพลังอันแรกที่ ผลกดันจิตใจให้ของพระพุทธเจ้าให้ออกบวชมีศรัทธาในการบวชในการปฏิบัติในการสร้างพลังจิตเมื่อได้ออกบวชแล้วพระองค์ก็ทรงสร้างพลังที่สองก็คือวิริยะความภาคเพียรภาคเพียรที่จะส ร, สร้างพลังที่สามที่สี่ที่ห้าให้แก่จิตน ก็คือสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาถ้ามีพลังทั้งห้านี้แล้วจิตก็จะเป็นเหมือนจรวดที่มีพลังที่จะทะยานออกจากกระแสของดึงดูดของโลกได้มุ่งไปสู่ดาวต่างๆได้ถ้าจิตมีพลังทั้งห้า คือมีศรัทธาที่แก่กล้ามีวิริยะที่แก่กล้ามีสติที่แก่กล้ามีสมาธิที่แก่กล้าและมีปัญญาที่แก่กล้าจิตก็จะมีพลังที่จะหลุดออกจากกระแสดึงดูดของกิเลสตัณหาได้หลุดออกจากกระแสดึงดูดของสังสารวัฏได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ในตายพบได้พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ถึงหกปีด้วยกันทรงบำเพ็ญเพียรในการเจริญสติในการเจริญสมาธิและในการเจริญปัญญาด้วยความศรัทธาด้วยความวิรยิยะอุสาหะจนในที่สุดพระองค์ก็สามารถที่จะ ส่งจิตของพระ อ, องค์ให้หลุดออกจากกระแสดึงดูดของกิเลสตัณหาของสังสารวัฏได้พระ อ, องค์ก็เลยได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนับตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกในอายุสามสิบห้าปีหลังจากที่ได้ทรงบวชอยู่หกปีด้วยกัน พระ อ, องค์ก็สามารถสร้างพลังจิตทั้งห้านี้ให้สมบูรณ์ให้มีกำลังที่จะผลักดันจิตใจให้หลุดออกจากกระแสดึงดูดของวัตะสงสารได้แล้วหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงนำเอาความรู้นี้มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อห น, นึง่งผู้ที่ได้ยินได้ฟัง แล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถสร้างพลังธรรมให้จิตใจของผู้ปฏิบัติได้สามารถปลักดันจิตใจให้หลุดออกจากกระแสการดึงดูดของวัฏสงสารได้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกกันไม่ต้องกลับมาเกิดในตทยพบอีกต่อไปอันนี้คือ หัวใจของการลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือพลังทั้งห้านี้พลังธรรมทั้งห้าประการคือหนึ่งศรัท ธ, ธาในการปฏิบัติในการสร้างพลังธรรมสร้างพลังจิตสองวิริยะคือความอุตสาหะภาคเพียรที่จะสร้างพลังสติขึ้นมา เพราะว่าเมื่อมีพลังสติแล้วก็จะสามารถสร้างพลังสมาธิขึ้นมาพอมีสมาธิก็สามารถสร้างพลังปัญญาขึ้นมาสามารถนำเอาปัญญาไปทําลายแรงดึงดูดของสังสารวัฏได้คือไปทําลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ พอหมดแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะดึงดูดใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปเหมือนกับยานอวกาศที่ได้หลุดออกจากกระแสดึงดูดของโลกแล้วก็จะไม่หล่นไม่ตกตับลงมาสู่โลกอีกต่อไปยกเว้นถ้ามีความตั้งใจที่จะขับหันยาน อาวากาศเข้าสู่โลกเท่านั้นถึงจะกลับมาแต่ถ้าถ้าส่งให้ออกไปแล้วไม่ไม่หันยานกลับมาก็จะไม่กลับมาสู่โลกอีกต่อไปนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่ตอนนี้ยังติดอยู่ในกระแสของความดึงดูดของวัตตสงสาร ของตายพบส่วนใหญ่ของพวกเรานี้จะถูกกระแสของกางมาพบดึงดูดกันพวกที่ถูกกระแสของรูปภพกับอารูปภพนี้มีจํานวนน้อยเพราะว่าเป็นพวกนักบวชพวกที่อจเจริญฌานสมาบัติกันจเจริญรูปฌปานจเจริญอารมูปฌานกัน จะเป็นผู้ที่ถูกกระแสดึงดูดของรูปโลกกับอรูปภพเนี่ยอรูอรูปภพกับรูปภพดึงดูดให้กลับไปติดอยู่ในรูปภพและอรูปภพส่วนสัตว์โลกส่วนใหญ่อย่างพวกเรานี้ถูกกระแสของกามมาพบดึงดูดนะกระแสของกามมพบคืออะไร ก็คือกามะตัณหานี่เองตัณหาแปลว่าความอยากกามาแปลว่ากามคุณทั้งห้ากามคุณทั้งห้ามีอะไรบ้างมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีผลทพัพทะรูปก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตารูปต่างๆที่เรามีที่เราดวงตา รับเข้ามาเสียงก็เสียงที่เราได้ยินด้วยหูกลิ่นก็ที่เราได้สัมผัสทางจมูกรสก็ที่ลิ้นเราได้สัมผัสและผดทัพะก็คือส่วนที่ร่างกายของเราได้สัมผัสเช่นความรู้สึกร้อนเย็นแข็งนุ่มเป็นต้นอันนี้เรียกว่าผดทะพะ รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์นี้เป็นสิ่งที่ใจของพวกที่ยังมีก a r m a ปัญหามีความผูกพันมีความติดอยู่เหมือนกับผู้ที่ติดยาเสพติดติดบุเร่ติดสุราเป็นเหมือนกันติดบุเร่ก็ติดรสของบุเร่รูปของบุเร่กลิ่นของบุเร่ติดสุราก็ ติดรูปของสุราติดกลิ่นของสุราติดรสของสุราติดความสัมผัสของสุราเวลาผ่านเข้าไปในร่างกายทำให้ร่างกายมีความรู้สึก อ, อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานี่คือตัวที่ดึงดูดให้จิตใจของพวกเรายัางต้องกลับมาเกิดในการมาพบกันอยู่ กามาพบนี้ก็มีแบ่งเป็นสองส่วนกามาพบส่วนที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์และกามาพบที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขกามาพบที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็คือพบของมนุษย์พบของเทวดากามาพบที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขก็คือพบของ เดลฉานของเพตรของอสุรกายของสัตว์นรกนี่คือพบที่พวกเรามาเกิดกันอะไรที่ทําให้เรามาเกิดในการมาพบส่วนที่สูงก็คือบุญอะไรที่ทําให้เรามาเกิดในการมาพบในส่วนที่ต่าก็คือบาปถ้าเราทําบา คือไม่รักษาศีลห้าเราฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาเป็นอาจินทำอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นนิสัยอายไปก็จะต้องไปเกิดในการมภพส่วนที่มีความทุกข์มากกว่าความสุข เป็นไปเกิดในภพของเดลฉานภพของเดลฉานนี่มีรูปร่างเหมือนภพของมนุษย์คือมีกายหยาบแต่ภพที่ไม่มีกายหยาบก็คือภพของเปรตภพของอสุรกายและภพของนรกเป็นภพที่กายที่เป็นผู้ไปรับไปรับผล ภพที่มีกายอยากก็มีอยู่สองภพเท่านั้นคือภพของเดรัจฉานกับภพบของมนุษย์ภพของมนุษย์นี้ยังถือว่าอยู่ในสุขคติเพราะมนุษย์นี้มีความสุขมากกว่ามีความทุกข์แต่มีความสุขน้อยกว่าภพบของเทวดามีความทุกข์มากกว่าภพของเทวดาเทวดานี้ก็มีเป็นชั้นชั้น เหมือนกับโรงแรมที่มีเป็นชั้นๆเป็นระดับระดับหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวพบของเทวดาก็มีหลายชั้นมีความสุขในระดับต่างๆกันถ้าดาวน้อยก็ความสุขน้อยถ้าดาวมากก็ความสุขมากผู้ที่จะไป สู่ชั้นสวรรค์ชั้นต่างๆนี้ก็ขึ้นอยู่กับบญที่ทำทำมากหรือทาน้อยทามากก็จะได้สวรรค์ชั้นที่มีดาวมากถ้าทาน้อยก็ไปอยู่สวรรค์ที่มีดาวน้อยเช่นเดียวกับอาบายถ้าทาบาปมากทำบาปหนักก็จะไปสู่ภพ ที่มีความทุกข์มากที่สุดก็คือพบของของนรกเนี่ยเป็นพบที่มีความทุกข์มากที่สุดเพราะทำหนักบาปหนักที่สุดพบลองลงมาก็คือเปรตหรืออสุ ร, รกายอันนี้ไม่แน่ไม่ได้ศึกษาไม่ไม่แน่ว่าไหนหนักกว่ากันแล้วก็ลองลงมาก็พบของเดรัจฉาน โดยจากการทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าสัตว์นี้เป็นบาปที่หนักกว่าลักทรัพย์ลักทรัพย์นี้เป็นบาปที่หนักกว่าการประพฤติผิดภเวณีแล้วก็การประพฤติผิดภเวณีก็เป็นบาปหนักกว่าการโกหกหลอกลวงการโกหกหลอกลวงก็เป็นบาปหนักกว่าการดื่มสุรายาเมา อันนี้เป็นความหนักเบาของบาปที่เราทำกันแล้วผลที่จะเกิดจากการทำบาปที่หนักเบาก็จะพาให้เราไปเกิดในอบายที่มีความทุกข์มากน้อยต่างกันไปทุกมากก็คือนรกลองลงมาก็คือเปรตหรืออสุรกายแล้วก็ลองลงมาก็เดรัจฉาน ถ้าไม่ทำบาปเลยนี่แต่ไม่ได้ทำบุญเราก็จะได้พบของมนุษย์มนุษย์นี่เป็นพบที่กลางกลางระหว่างบุญกับบาปบุญก็ไม่ได้ทำก็เลยไม่ได้ไปสวรรค์บาปก็ไม่ได้ทำก็เลยไม่ได้ไปอบายก็เลยอยู่กงกลางส่วนเทวดานี่เป็นพวกที่ บาปไม่ทำทำแต่บุญก็เลยไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆนี่คือที่มาที่ไปของการไปเกิดในกามาภพส่วนรูปภพกับอรูปภพก็คือพวกที่ชอบเข้าวัดชอบรักษาศีลแปดกันชอบบวชกันพวกนี้ก็จะมีเวลามาเจริญสติพาทำใจให้สงบ ใจสงบก็จะเป็นชานขึ้นมาชานก็มีอยู่สองระดับรูปประชานกับอารมูปฌานรูประชานก็มีสี่ชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่อารูประชานก็มีสี่ชั้นเรียกว่าอารมูปฌานหนึ่งอรุประชานสองอาุประชานสามอารมูปชานสี่ คือความ ส, สงบที่ละเอียดต่างกันสงบมากกว่ากันนั่นเองยิ่งสงบมากจิตก็ยิ่งละเอียดความสุขก็ยิ่งละเอียดขึ้นคือความสุขยิ่งเป็นความสุขที่วิเศษขึ้นเหมือนกับน้ำที่เรากรองกันน้ำที่เรากรองถ้ากรองเครื่องกรองไม่ไม่ละเอียดก็กรอง ได้ไม่ละเอียดน้ําก็ไม่ใสสะอาดบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนแต่ถ้าเครื่องกรองเป็นเครื่องกรองที่ละเอียดมากสามารถกาจัดวัสดุต่ตางๆที่อยู่ในน้ําได้ก็จะได้น้ําที่บริสุทธิ์ชานนี้ก็เปียบเหมือนกับความสะอาดบริสุทธิ์ของใจผู้ที่จะทําให้ใจสงบนี้ก็คือสติถ้ามีสติมีกําลังมากก็จะได้ชาน ขันสูงขึ้นไปเรื่อยๆขั้นต้นก็ได้ฌานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขึ้นไปตามกำลังของสติถ้ามันจเจริญสติอยู่เรื่อยๆสติก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้มากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขัน้นอรูปฌานถึงขั้นสมาบัต นิโรธสมาบัติคือความสงบที่เต็มที่คือนิโรธสมาบัติเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในจิตยยญญญญหยุดทำงานชั่วคราวคือเวทนาสัญญาสามขานวิญญาณหยุดทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือผู้ที่บำเพ็ญศีลแปด ศีลของนักบวชแล้วก็เจริญสตินั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นหลักไม่ทำกิจกรรมทางกามคือทางรูปเสียงกลิ่นรสผลทถพภะที่เราเห็นพวกที่เขาบวชพวกที่นุ่งขาวห่มขาวก็ดีพวกที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองก็ดีเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ไม่เสพกามกัน ไม่เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นสรสผพถะเศรษความสงบที่เกิดจากการเจริญสติตรงนี้ถ้าตายไปจิตก็จะไปเกิดในรูปประพบถ้าได้รูปประชานไปเกิดในอรูปประพบถ้าได้อรูปประชานแต่รูปประพบและอรูปประพบนี้ก็เสื่อมได้เมื่อกำลังของสติ อ่อนลงถ้าสติไม่มีการจเจริญอยู่เรื่อยๆสติก็จะอ่อนกำลังลงได้ขณะที่อยู่ในฌานนั้นไม่ได้เจริญสติกันพอจิตเข้าถึงฌานแล้วสติก็ไม่ต้องทำอะไรจิตไม่ต้องสร้างสติเพียงแต่อยู่ในความสงบนั้นไปสติที่ได้สร้างไว้ก็จะอ่อนกำลังลง จากรู ป, ปรชานก็จะลงมาสู่รู ป, ปรชานจากรูปรชานก็จะลงมาสู่เทวภพอพอเหมือนกับผู้ที่ออกจากสมาธิมาพอสมาธิมาลืมตาก็จะเห็นรูปได้ยินเสียงแล้ก็จะเกิดตัณหาความอยาก อ, อยากดื่มกาแฟอยากดืมเครื่องดื่มขึ้นมาก็เกิดกามาตัณหาขึ้นมา ถ้าไปเสพก็จะไปเอ่อก็จะเป็นเทวดาคือเสพรูปทิพสียงทิพก่อนตอนที่ลงมาจาก อ, อ, อ่ะรูปภพนี้ก็จะเข้าสู่เทวภพก็จะมีเกิดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกินลดตอนนั้นยังไม่มีร่างกายไม่มีกายอยากก็จะเสพรูปเสียงกินลดที่ละเอียดที่เรียกว่ารูปทิพสียงทิพอย่างที่เวลาที่เรานอนหลับ เวลาเราหลับแล้วเราฝันว่าเราได้ไปเที่ยวได้ไปดื่มกาแฟได้ไปดูภาพยนตร์ได้ไปทำอะไรต่างๆเวลานั้นเรากำลัง เ, เสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์กันด้วยกายทิพย์เพราะตอนที่เรานอนหลับเราไม่ได้ใช้ร่างกายร่างกายพักผ่อนร่างกายไม่มีแรงที่จะพาเราไปเที่ยว แต่จิตของเรานี้ยังมีกําลังมีกามะตัญหาเคลื่อนไหเที่ยวในทางโลกทิพย์ไปก็เป็นเทวดาชั่วคราวเป็นเทวดาในช่วงที่นอนหลับแล้วก็พอกําลังของการเสบรูปทิพย์หมดไปก็จะมีความหยาบความต้องการที่จะเสบรูปทิพย์เสียงทิพย์ที่หยาบขึ้น ก็จะมาได้ร่างกายพอได้ร่างกายก็จะได้ตาหูจมูกลิ้นกายพ อ, พ, อพอเตอพอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็เริ่มเสกรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทันทีนี่คือเรื่องของรูปภพอรูปภพของกามาพบของจิตที่ยังมีอากามตาตหะ มีภาวะตันหาวิวิภา ว, วะทันหาอยู่จิต ก, ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดขึ้นๆลงๆอยู่ในตายพบเหล่านี้ไปยังไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัสรู้หาวิธีที่จะดึงจิตให้ออกจากตายพบนี้ไปได้ พระพุทธเจ้าทรงคนพบเหตุที่ดึงให้จิตติดอยู่ในตายพบนี่เองคือทรงเห็นว่ากามตันหาภวะทันหาวิภวะทันหานี่เองที่ทําให้จิตเรายังต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่ถ้าไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในตายพบก็จําเป็นจะต้อง หยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้หยุดกามาตนะหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกำลังที่จะหยุดได้ถ้าเรารู้พราเราชโชคดีชาตินี้เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ส่งคนพบว่าต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด ก็คือกามาตัญหาภวะตัญหาและวิภาวะตัญหาที่เราจะต้องหยุดให้ได้ที่เราจะต้องไม่ทำตามเวลาเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ทำตามเวลาอยากจะได้รูปประชานก็ไม่ทำตามเวลาอยากจะได้รูปอรูปประชานก็ไม่ทำตามอันนี้ เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติมีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้มีสติเราก็จะหยุดจิตได้หยุดจิตเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ตอนนี้เราโชคดีได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้มีปัญญากันแล้วแต่สิ่งที่เราไม่มีใน ต, ตอนนี้ก็คือสติที่จะหยุดใจหยุดกามทันหายุ ภาวะทันหาหยุดวิภาวะทันหากันหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสหยุดความอยากในรูปประชานหยุดความอยากในอารูปประชานเราจึงต้องเจริญสติกันเพื่อให้มีกำลังหยุดความอยากเหล่านี้ถ้าเราหยุดกามัถ้าเรามีสติมีกำลังหยุดจิตได้ทำใจให้สงบได้เราก็จะหยุดกามาตันหาได้หยุด ภาวะทัหาได้หยุดวิภาวะทันหาไ ด, ด, พะะาได้พอเราหยุดได้แล้วจิตเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไปพอเหตุที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดนั้นเรากาจัดมันแล้วหยุดมันแล้วทำลายมันไปแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรที่จะมาดึงจิตของเราให้ติดอยู่ในตายพบอีกต่อไปสมัยพระพุทธเจ้าบาเพ็ญนี้ ท, ท่านมีสมาธิกันมีสติกันแต่ท่านไม่รู้เหตุว่าอะไรเป็นตัวที่ดึงให้กลับมาเกิดในตายพบกันมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่หลังจากได้พิจารณาได้วิเคราะห์แล้วก็ทรงเห็นว่าก็มีกา마ตันหาภวะตันหาและวิภวตันหานี่เองที่เป็นตัวดึงดูดให้จิตต้องกลับมาเกิดในตายพบอยู่เรื่อยๆ พระองคนก็เลยหยุดตัณหาทั้งสามด้วยกำลังของสติด้วยกำลังของสมาธิเพราท่านที่บำเพ็ญนั้นในยุคนั้นรู้จักวิธีเจริญสติรู้จักวิธีเจริญสมาธิกันรู้จักวิธีเจริญรูปปัจจานารูปปัจานกันแต่ไม่รู้ต้นเหตุของการที่จะทำให้มาเกิดในตายภบนี้เกิดจากอะไร พอพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจนารณาดูก็ทรงเห็นว่าก็มีกา ม, มาตัานหามีภาวะตันหาและวิภวะตันหานี่เอที่เป็นตัวดึงดูดให้จิตต้องกลับมาเกิดในตายพบเพราะถ้ามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมาเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้าง เพราะสัตว์เหล่านี้ก็เป็นสัตว์ที่เสพรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยกันทั้งนั้นส่วนพวกที่เสพรูปประชานก็พวกที่มีภาวะทันหาพวกที่เสดอารูปประชานก็มีวิภาวะทันหาอันนี้จึงทำให้มาเกิดในตายพบกันพระองค์เมื่อทรงเห็นว่าตันหาทั้งสามนี้เป็นเหตุที่ทำให้ต้องกลับมาเกิด มาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กันอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นพระองค์ก็เลยหยุดทดลองหยุดพอหยุดก็เห็นผลว่าหยุดแล้วความอยากในสิ่งต่างๆก็หายไปไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพอีกต่อไปก็ไม่จำเป็นที่จะมามีร่างของมนุษย์หรือมีร่างทิพย์ของเทวดาหรือร่างของ เดรัจฉานร่างของเปรร่างของอสุรกายร่างของสัตว์นรกพอได้พบต้นเหตุของตัวที่ดึงดูดให้จิตติดอยู่ในวัฏสงสารก็คือกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาก็องค์ก็ทรงทำลายตันหาทั้งสามนี้ทันที พอพอทําลายปั๊บจิตก็หลุดจากกระแสดึงดูดของตายภพทันทีเหมือนกับเรือที่ทอดสมออยู่เวลาที่จะให้เรือวิ่งไปไหนมาไหนได้นี่ถ้าไม่ไม่ไม่ทัดไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตัดสมอไ ม, ไม่ไม่ถอนสมอเรือก็จะไปไหนมาไหนไม่ได้แต่พอถอนสมอหรือตัดเชือกสมอขาดออกจากเรือไป เลือก็ไหลไปเลยวิ่งไปเลยแล่นไปเลยลอยไปเลยเจ็ดก็เหมือนกันเจ็ดก็มีสมอเหมือนสมอเรือเรือมีกรารมาตันหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาที่ใครดึงจิตให้ติดอยู่กับตายพบพอตัดกามะตัญหาได้ภาวะตัญหาได้วิภาวะตัญหาได้ใจก็หลุดออกอย่าง การเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดในตาย พ, พอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้บุญคุณของพระพุทธเจ้าว่ายิ่งใหญ่มหาศาลขนาดไหนต่อสัตวโลกที่ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่พวกเราเหมือนกับพวกที่ติดอยู่ในคุกในตาราง พระพุทธเจ้าเป็นเหมือนคนที่มาเปิดประตูคุกตารางให้กับพวกเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี่ประตูของคุกตารางจะปิดอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตารัสรุ้นี่ก็เหมือนกับมีคนมาเปิดประตูคุกเปิดได้24ชั่วโมงเลยต้องการจะออกไปเมื่อไหร่ก็ไปได้ทันที อยู่ที่ว่ารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้มีประตูตเปิดอยู่แล้วรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้กำลังติดอยู่ในคุกในตารางกันจัตโลกอย่างพวกเราส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ศึกษาพรธะทำคำสอนพวกเราก็ยังจะไม่รู้เสียได้ซ้าไปว่าเราก็ยังติดเราเป็นนักโทษที่ติดอยู่ในคุกตารางแห่งการของสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดและเราไม่รู้กันว่าตอนนี้คุกตารางได มีผู้มาเปิดประตูให้พวกที่ติดอยู่ในคุกนี้ให้ออกไปได้อย่างง่ายดาย <Yeah. S 1> ไม่ต้องปีนไม่ต้องขุดอุโมง <Yeah. S 1> ขุดไปก็ไปไม่รอดปีนไปก็ไปไม่รอด <Yeah. S 1> เพราะจะมียามคอยเฝ้าคอยคุมอยู่ทุกแห่งทุกคน yeah. แต่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาตัดชะลูแล้วก็เหมือนกับมีคนมาเปิดประตูให้กับพวกเรา <Yeah. S 2> ให้พวกเราเดินออกไปได้อย่างสบาย yeah. แต่พวกเราจะรู้กันหรือเปล่าเท่านั้นว่าหนึ่งรู้ว่าเรากาลังติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่าสองรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้มีประตูคุกประตูคุกได้ได้ถูกเปิดออกแล้วถ้าใครอยากจะออกจากคุกนี้ก็สามารถออกไปได้เลยถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมอย่างวันนี้เราก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเรายังเป็นนักโทษกันอยู่ เรากำลมติดคุกตารางของวัฏสงสารติดในตายพบกันอยู่แล้วเราก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนานี้มีความหมายอย่างไรต่อพวกเราพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนานี้เป็นเหมือนผู้มาเปิดประตูของคุกตารางให้กับพวกเราให้พวกเราได้หนีออกจากคุกจากตารางไปอยู่นอกคุกมันสบายกว่าอยู่ในคุกมีอิสระภาพเสรี ผู้ที่อยู่นอกคุกของวัตสงสารก็มีอิสรภาพจากความทุกข์ต่างๆย่าไม่มีความทุกข์มาบีบคั้นจิตใจต่อไปถ้าถ้ายังติดอยู่ในคุกตารางของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อให้เป็นพระราชามหากษัตริ์เป็นประธานาทิบปดีเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นอะไรก็ตามก็ยังจะถูกความทุกข์บีบคั้นจิตใจยอยู่ ล้ไม่ใช่บีบคั้นแต่เฉพาะพบนิชาตินี้ตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาถูกบีบคั้นใหม่เพราะการเกิดทุกพบทุกชาติจะต้องมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายมีการพัดภาคจากกันตามมาเสมอ น, นี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้มาฟังคําสอนของพระอริยสงสาวกก็จะเปิดหูเปิดตาให้กับพวกเราให้รู้ว่าเรากำลังเป็นนักโทษให้รู้ว่าตอนนี้มีพระพุทธศาสนามาเปิดประตูคุกที่พวกเรากำลังติดอยู่แล้วพวกเรานี่สามารถออกเดินออกจากคุกนี้ไปได้อย่างสบายอยู่ที่ว่าอยากจะออกหรือไม่เท่านั้นเอง ถ้ายังติดอยู่กับกาม m a ตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาอยู่ก็จะยังต้องติดอยู่ในคุกในตารางของตายภพของสังสารวัฏ ต, ต่อไปแต่ถ้าเราตัดกาม m ตัณหาได้ตัดภวะตัณหาได้ตัดวิภวะตัณหาได้เพราะเราเห็นว่ามันเป็นโซ่โตรวนที่ผูกให้เราติดอยู่ในคุกในตาราง พอเราตัดโซ่ตรวนได้ประตูคุกเปิดอยู่เราก็เดินออกได้อย่างสบายถ้าเราอยากจะหลุดออกจากตายภพหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมาตัดกามาตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหาให้หมดไปจากใจของพวกเรากามาตัญหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ภาวะตันหาก็คือความอยากในฌานในรูปฌานวิภาวะตันหาก็คือความอยากในอรูปฌานเี่ยเราต้องตัดหมดตัดความอยากในกามประพบตัดความอยากในรูปประพบตัดความอยากในอรูปประพบเมื่อไม่มีความอยากในใต้พบแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดในใต้พบอีกต่อไปชาตินี้จึงเป็นชาติที่วิเศษ กว่าชาติอื่นๆมากชาติอื่นๆที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้จะไม่มีพระพุทธศาสนามาคอยบอกเราว่าเรากำลังเป็นอะไรและเรากำลังมีโอกาสที่จะเลิกเป็นอะไรได้มีชาตินี้เพียงชาติเดียวที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งที่ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังสถานภาพที่แท้จริงของพวกเรา ว่าเรากำลังเป็นนักโทษที่ติดคุกติดตารางในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดและภพนิชาตินี้เรามีผู้วิเศษคือพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกมาเปิดประตูคุกให้กับพวกเราให้พวกเรานี้ออกจากคุกตารางนี้ไปได้อย่างสบายเพียงแต่ว่าเรายังต้องตัดโซ่ตรวนที่ติดกับพวกเราอยู่ โซตวนก็คือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่เถ้าเราตัดมันได้เราก็จะหลุดเราก็จะเดินออกจากคุกได้อย่างสบายเครื่องมือที่จะตัดพระพุทธเจ้าก็เอามามอบให้กับเราแล้วก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เราเราต้องมีศรัทธาความเชื่อ ในการบําเพ็ญในการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เ, เมื่อเรามีศรัทธาเราก็จะมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรเยชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดประตูคุกให้กับพวกเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยื่นเครื่องมืออาวุธที่จะมาตัดโซ่ตรวนที่ปลุกให้เราติดอยู่ในคุกในตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาก็เหมือนกับเรารับเครื่องมือที่จะมาตัดโซ่ตรวนที่ทำให้เรายังต้องติดอยู่ในการมาพบในใตในรูประพบและในอรูประพบอยูอ่พอเราเพียรสร้างสติเพียรสร้างสมาธิเพียรสร้างปัญญาขึ้นม า, าจนได้ครบท่วนบริบูรณ์มีกาลังเต็มที่แล้วเราก็สามารถ ตโซ่ตัวนที่ผูกเราให้ติดอยู่กับการมาพบกับรูปพบกับอรูปพบได้พอไม่มีการมตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาภายในใจของเราแล้วใจของเราก็หลุดออกจากตายพบได้ทันทีไม่ต้องกลับมาเกิดในการมภพในรูปพบและในอรูปภพอีกต่อไปจะอยู่นอกวัฏสงสาร อยู่นอกคุกสถานที่ที่อยู่นอกคุกนี้เราเรียกว่านิพพานจิตที่ไม่มีโซ่ตรวนที่จะดึงให้กลับเข้าไปติดอยู่ในกามาพบในรูปภพและในอรูปภพนั่นเองเรียกว่านิพพานจิตได้หลุดพ้นแล้วเป็นอิสระภาพแล้วไม่ต้องถูกความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายมาบีบคั้นอีกต่อไป นี่คือเวลาที่พวกเราควรที่จะเอามาทุ่มเทกันอย่าไปทุ่มเทให้กับการทำให้โซ่ตรวนที่ติดอยู่กับเรานี้แน่นหนามั่นคนะงขึ้นโดยการไปทำตามความอยากทั้งสามไปทาตามความอยากในกาความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่แล้วเอาเวลามา หยุดความอยากทั้งสามนี้กันดีกว่าหยุดการมาตัณหาหยุดภาวะตัณหาและหยุดวิภาวะตัณหาพอหยุดได้หมดแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์มาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอีกต่อไปนี่คือเวลาที่เราควรที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับจิตใจของพวกเรา เอามาตัดโซ่ตรวนที่ผูกติดใจของเราให้ติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดตัดการมาตันหากัดภาวะตัญหาตัดวิภาวะตัญหาให้มันหมดไปจากจิตจากใจแล้วใจของเราจะได้เป็นอิสระภาพถ้าเราไม่ทำภพนี้ภพหน้านี้อาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้กลับมาเกิดคราวหนะ้าอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนามาบอกเราว่าเรากาลังเป็นนักโทษ กำลังถูกโซ่ตรวนของกามตาตนะภาวะตันหาวิภาวะตันห า, าดึงเอาไวา้ผูกเอาไว้ให้ติดอยู่ในคุกตารางของอากามของกามาภพของรูภพและอรูภพดังนั้นชาตินี้เป็นชาติที่โอกาสที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดเราจึงไม่ควร ปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยที่เราไม่ไ ม, มาทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่จิตใจถ้ายังไม่รู้เรื่องของเราก็มาฟังเทศฟังธรรมกันเมื่อรู้เรื่องแล้วรู้ว่าเราจะต้องทําอะไรก็ไปทํากันเรารู้แล้วว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเราเป็นนักโทษเราถูกโซ่ตรวนของกาม m a ันหาภวะันหาวิภวะตันหา ปลูกให้เราติดอยู่ในกามาพบในรูปพในอรูปพเราก็ต้องมาตัดมันให้ได้เครื่องมือที่พระเจ้าทรงมอบให้กับพวกเราก็คือศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราก็ต้องมาสร้างมันขึ้นมาสร้างศรัท ธ, ธาด้วยการฟังเทศฟังธรรมฟังศึกฟังประวัติขอ ง, ศ, ของศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกเราก็จะเห็นว่าท่าน ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างาสร้างสร้างสติสร้างวิริยะสร้างสมาธิสร้างปัญญากันเพื่อที่จะได้ตัดโซ่ตวนที่ผูกติดของท่านให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเราได้ศึกษาวิถีชีวิตของท่านประวัติของท่านแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาที่อยากจะเรียนแบบอยากจะทาตามท่านบ้างอยากจะปฏิบัติ อยากจะเจริญสติอยากจะนั่งสมาธิอยากจะเจริญปัญญาโดวยวิริยะความภาคเพียรด้วยศรัทธาความเชื่อในแนวทางของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกว่าเป็นแนวทางสู่การหลุดพ้นจากครองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คกือสิ่งที่เราควรที่จะเอาเวลาอันล้ำค่านี้มาทำกันเบื้องต้นก็ศึกษาว่า เราเป็นใครเรากำลังอยู่ในสถานภาพใดเรามีปัญหาอะไร mm. เมื่อเรารู้สถานภาพของเราแล้วรู้ปัญหาของเราแล้วเราก็เอาอเครื่องไม้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเรามาแก้ปัญหานี้เกื mm. ้อมอบศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้พวกเรามาเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา mm. ให้มีกำลังจนสามารถ แก้ปัญหาของพวกเราได้ก็คือตัดโซ่ตรวนแห่งการแห่งการมรทันหาภาวะันหาและวิภาวตทันหาเมื่อตัดได้แล้วเราก็จะเดินออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างสบายได้ไปอยู่ข้างนอกคุกคืคอพระนิพพา น, านไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปดังนั้นก็ขอให้ท่านจงพยายามใช้เวลา ของชีวิตที่เหลืออยู่นี้ให้แก่การสร้างศรัทธาสร้างสติสร้างวิริยะสร้างสมาธิสร้างปัญญากันถึงพอจะเป็นเครื่องมือที่จะทำลายโซ่ตรวนที่ผูกให้ที่ผูกพวกเราให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นให้มันมีวันสิ้นสุดในภพนี้ชาตินี้เลยให้เราได้เดินออกจากวกตาราง แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้กระทำกันพวกเราสามารถทำได้เพราะท่านพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกก็เป็นผู้ตุชนเหมือนกับพวกเรามาก่อนแต่พอท่านรู้ว่าท่านต้องเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาท่านก็เจริญกัน พอท่านจเจริญท่านก็เลยกลายจากปุถุชนกลายเป็นพระอริยบุคคลกลายเป็นพระอรหันต์กลายเป็นพระพุทธเจ้ากันเราก็เหมือนกันถ้าเราจเจริญศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญากันได้เราก็จะกลายเป็นพระอริยขันเราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต่อไปอย่างแน่นอนเพียงขอฝากเรื่องของการใจเวลา ของชีวิตเหล่านี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวารุวาหาปุราภาริปุเรนติสักาลังเอวเมวะอิต e ุทินังเปทานังอุปการปฏิอิจิตังปะทิต um ังตุมหังคิพเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังตปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ อะราโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโวินัสตุมาเตภวัตวันทราโยสุขีติคายุโกภวะอะพิวาทานสิลิตสานิจังวุธาปจายิโนจตารโหธรมมวัทฐานติอายุวันโอสุขัง า, ล, า, าลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่อยากจะถามปัญหาขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยนะพอทุกครั้งพอปิดประชุมแล้วมักจะมาขอถามก็ต้องปฏิเสธไปแล้วก็เสียใจน้อยใจก็ไม่รู้จะทำไงเวลาให้ถามไม่ถาม เวลาไม่ถามก็จะถามนะใครอยากถามถามตอนนี้เลยถ้ายังไม่มีใครถามก็จะให้คำถามทางบ้านถามาวันนี้เข้ามากี่คนนะวันนี้ตอนวันนี้เฟซบุ๊กตอนพระอาจารย์แสดงธรรมอยู่ที่สามร้อยยี่สิบครับตอนนี้อยู่สองร้อยสามสิบ แล้วก็ยูทู e ตอนที่พระอาจารย์แสดงทมอยู่ที่หกสิบสาครับตอนนี้ห้าสิบเอ็ดครับใครอยากจะถามก็ยกมือได้จะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าไม่มีก็จะให้ทางบ้านถามเข้ามาก่อนอคำถามแรกจากอิ b บ x อซ์นะครับเป็นคำถามฝ า, ฝากถามนะครับจากคุณหน่อยญาติไปเรียน น, นูโร i n g u i s ติ c โปรแกรมในวงเล็บ NLP หมดเงินไปประมาณหนึ่งล้านบาทกลับมาอาการค่อนข้างไปทางหนักคิดเพียงแต่ต้องรวยอย่างเดียวต้องไปให้ได้ต้องไปให้ถึงเกิดความกดดันและหวาดระแวงคนรอบข้างไปหมดมาช่วงหลังหลุดความเป็นจริงไปแล้วจนต้องพบจิตแพทย์กราบเรียนถามค่ะว่าสามารถเอาธรรมะให้ฟังได้ไหมคะจะสามารถช่วยให้มีสติ กลับมาหรือว่าควรให้เริ่มปฏิบัติทำดีคะก็อยู่ที่ตัวเขาว่าเขาอยากจะรับหรือไม่รับเนี่ยถ้าเขามีศรัทธามันก็จะมีทางถ้าเขาไม่มีศรัทธาเขายังคิดว่าเขาดีอยู่เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาอาจจะกลับมองว่าพวกเราเนี่ยไม่ดี ถ้าอย่างนี้มันก็ยากที่จะดึงเขากลับมาเขาต้องรู้จากสถานภาพของตัวเขาก่อนว่าตอนนี้เขาไม่เป็นปกติเขาต้องการอาถ้าเขาต้องการกลับมาเป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนเขาก็ต้องอพึ่งผู้ใดผู้หนึ่งที่เขามีศ ร, รัท ธ, ธาถ้าเขามีศาสต ร, รธธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาก็จะรับพระธรรมคําสอนได้ ถ้าเขาไม่มีศรัทธาก็ไม่สามารถที่จะรับพระธรรมคําสอนได้ดังั้นก็ต้องดูที่ตัวเขาว่าตอนนี้เขาหนึ่งเขารู้หรือเปล่าว่าเขาไม่ปกติเขาต้องรักษาตัวเขาถ้าเขาไม่รู้มันก็ไม่รู้จะไปทำอย่างไรสองถ้าเขารู้แล้วเขามีศรัทธาในวิธีการรักษาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าถ้าเขาไม่มีก็ไม่สามารถที่จะ นำไปรักษาให้กับเขาได้คำถามต่อไปจากจากคุณชวนครับที่วัดพระสงฆ์ใช้ผ้าขาวเหรียญทองย้อมเองหรือเปล่าการถวายผ้าขาวได้บุญประเภทไหนถ้าอุทิศให้ผู้ตายผู้ตายจะรับบุญไหมครับได้การอุทิศบุญที่เกิดจากการทําทานนี่ได้หมดถวายผ้าถวายประจัยต่างๆเช่นอาหารข้าวหวาน ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยสามารถอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปได้ส่วนผ้าขาวนี่ เ, เป็นธรรมเนียมดัด้งเดิมคือสมัยก่อนจะไม่มีผ้าย้อมอก็จะถอยผ้าขาวแล้วผ้าก็เอาไปตัดเย็บเสร็จแล้วก็ไปย้อมกันเองหาหาหาสีมาย้อมกันสมัยก่อนไม่มีสีสังเคราะห์ก็ใช้สีธรรมชาติ คือเอาแกนไม้นี่มาต้มแล้วก็จะได้สีเหลืองๆเออาไปซากในน้ําที่มีสีเหลืองๆนี่มันก็จะมีมันก็จะติดผ้าไปวันที่เขายังรักษาธรรมเนียมเดิมอยู่เขาก็จะรับผ้าขาวไปแล้วก็ไปตัดเย็ยบทีวรกันเองส่วนวัดที่เขาเป็นยุคพัฒนาเขาก็เขาก็พัฒนาไป มีผ้าที่เป็นผ้าย้อมเสร็จแล้วแล้วมีคนศรัทธาตัดเย็บถำายเขาก็รับผ้าแบบนั้นไปเป็นผ้าที่ตัดเย็บมาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะสวมใส่ได้เลยแต่วัดบางวัดโดยเฉพาะสายวัดผ่านี้เขาอยากจะรักษาธรรมเนียมเดิมไว้และเป็นการอนุรักษ์วิธีการตัดเย็บเสือ้อจีวรของพระ ให้ถูกตามหลักพระธรรมวินัยเพราะถ้าปล่อยให้ตามร้านเขาตัดเยยบกันเขาจะเริ่มาทาให้ไม่ถูกกับพระวินัยเพราะเขาจะต้องปรับขนาดให้เป็นไปกับเศรษฐกิจถ้าต้องการมีการแข่งขันขายกันอยากจะขายผ้าในราคาเดียวกันขนาดอาจจะเล็กลงไปก็อาจจะไม่ได้ขนาดตามหลักของพระธรรมวินัย แต่ถ้าพระสงฆ์เจ้าท่านตัดเย็บกันเองท่านก็จะทําตัดตามกฎระเบียบของพระธรรมวินัยการสายผ้าผ่านี้นิยมรับผ้าขาวแล้วก็ไปตัดเย็บทีวรกันเองเสร็จแล้วก็ไปย้อมสีตามที่ต้องการถ้าซื้อผ้าสําเร็จรูปเดี๋ยวนี้เขาก็มีสีหลายโทนด้วยกันตั้งแต่เหลืองอ้อยไปจนถึงแดงแจด๊ด นี่มันก็แล้วแต่ละวัดเขานิยมสีไหนเขาก็จะใช้สีนั้นกันไปฉนั้นก็พูดให้ญาติโยมเข้าใจว่าทำไมผ้ายังมีหลากหลายด้วยกัน แ, แบบของดั้งเดิมก็คือผ้าขาวแล้วก็เป็นผ้าผืนไม่ได้เป็นผ้าที่ตัดเย็บส ำ, สำเร็จแล้วพ้าท่านจะมาตัดเย็บของท่านเอง แล้มาซักมาย้อมของท่านเองอทีอีกคําถามจากคุณชวนครับเมื่อนอนหลับแล้วฝันเป็นเรื่องเป็นราวว่าเจอคนนั้นเจอคนนี้และมีบทสนทนาด้วยถือว่าจิตสร้างเรื่องขึ้นเองหรือเป็นสัญญาในอดีตชาติครับเป็อะไรก็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันไม่จําเป็นจะต้องไปรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร ให้รู้ว่ามันก็เป็นเหมือนกับความฝันให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับเมื่อมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปถ้าเราจะเอามาใช้ก็พิจารณาดูว่าใช้แล้วเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษถ้าใช้แล้วเกิดประโยชน์ก็เอามาใช้ได้ถ้าใช้แล้วเกิดโทษก็อย่าเอามาใช้ หรือถ้าใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรมาคิดแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมาแบกมันไว้เฉยๆก็อย่าพไปมาแบกมันปล่อยมันผ่านไปดีกว่าคำถามต่อไปจากคุณมานพครับอยากถามว่ากระผมได้จัดซื้อของสังฆทานแต่ไม่ได้ถวายเองแต่ฝากให้คนอื่นถวายให้จะได้บุญเหมือนเราทําเองไหมครับได้ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ คำถามต่อไปจากคุณวานครับขณะที่เสียงพายภายนอกกระทบเข้าสู่ภายในขณะนั้นเห็นการกระเพื่อมของโทรศัพท์ที่เกิดขึ้นภายในภายในก็บอกว่านี่ไงผัสสะที่ทำให้เกิดเวทนาอาการเกิดขึ้นแบบนี้บ่อยๆคะ่ะเหมือนข้างในมันเริ่มสอนกันมันจะค้นถามใครเป็นผู้โกรธแล้วก็ย้อนเข้าไปถามกายค้นกายกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าทาถูกหรือผิดคะ คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วต้องทำอย่างไรต่อไปคะคือถ้ามันเกิดมีอารมณ์มันก็แสดงว่ า, เ, าเรายังไม่ได้ไปแก้มัน เ, เราต้องเวลาเกิดตาสัมผัสกับรูปแล้วไม่เกิดอารมณ์สักแต่ว่ารู้เฉยๆถึงจะถูกต้องถ้าเกิดโกรธขึ้นมานี่แสดงว่ายังมีกิเลสอยู่แล้ว ต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากเห็นรูปที่เราไม่ถูกใจเราก็จะเกิดความอยากให้มันหายไปแล้วก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความโกรธ ถ, ถ้าเราเจอรูปที่ไม่ถูกใจเราฉั้นเราต้องมาแก้ที่ใจเราอย่าให้มารักมาชังกับรูปที่เราสัมผัสรับรูบร้เพราะถ้าชอบก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอยา่างอยากได้ ถ้าไม่ชอบก็เกิดความโกรธความอยากไม่ได้ขึ้นมาดังนั้นวิีเราต้องมาทําใจของเราให้เป็นกลางให้ใจของเราสักแต่ว่ารู้เฉยๆไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้วิธีที่จะทําใจให้เราเป็นกลางก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิสร้างอุเบกขาขึ้นมาถ้าจิตสงบรวมเป็นอัปปนาสมาธิจิตก็จะเข้าถึงตัวอุเบกขา แล้วตัวเบกขานี้ต่อไปก็จะเป็นตัวที่กากับใจของเราให้ใจของเราเฉยเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคําถามต่อไปจากคุณอุบลรักครับเวลาเราจะตักบาสนึกถึงบีดามารดาที่เสียชีวิตแล้วตักบาสเสร็จแล้วกรวดน้ําให้บิดามารดาที่เสียชีวิตท่านจะได้รับผลบุญหรือไม่เจ้าคะ คือเราส่งไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าท่านอยู่ที่ไหนถ้าท่านรอรับท่านก็ได้รับแต่ถ้าท่านไม่ได้รอรับท่านก็ไม่รับอยู่ที่ว่าสถานภาพของท่านเป็นอย่างไรถ้าท่านเป็นขอทานท่านก็จะรอรับแต่ถ้าท่านเป็นเทวดาเป็นเศรษฐีท่านก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญที่เราอุทิศไปแต่ถ้าท่านทราบท่านก็จะอนุโมทนาแสดงความชื่นชมยินดีครับา บุญที่เราทำคำถามต่อไปจะคุณมนตรีครับบุญมีน้อยพอแผ่เมตตาแล้วเหมือนบุญหมดไปอย่างนี้ควรทําอย่างไรครับคือบุญกับการแผ่เมตตานี่มันคนละเรื่องกันนะแผ่เมตตานี่ไม่ต้องใช้บุญะไม่ต้องทําบุญแผ่เมตตาก็คือให้ความสุขแก่ผู้อื่นผู้ให้คนอื่นเขามีความสุขก็เรียกว่าแผ่เมตตาแล้ว เช่นเวลาพบหน้ากันก็แทนที่จะด่ากันก็สวัสดีครับเป็นไงครับสบายดีหรือครับอย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาแล้วงั้นเราต้องเข้าใจว่าแผ่เมตตากับอุทิศบุญนี้มันคนละเรื่องกันอุทิศบุญก็คือเราต้องการส่งบุญให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วแต่แผ่เมตตานี้เราจะให้ความสุขกับผู้ที่มีชีวิตอยู่เช่นเราเวลาพบปะกัน เวลาเกิดการกระทบกระทั่งกันก็ให้อภัยกันอย่าไปโกรธเคืองกันอย่าไปแค้นอย่าไปเกลียดกันนี่ก็เรียกว่าการแผ่เมตตาหรือเวลาเราอยากได้อะไรก็อย่าไปทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจากความอยากของเราอยากจะได้แฟนของคนอื่นอย่างนี้เราก็ต้องหยุดอย่าไปทำเพราะเป็นการเบียดเบียนผู้อืน่นอยากจะได้แฟนก็ไปหาคนที่เขาไม่มีแฟนอย่าม่เบียดเบียนกัน นี่ก็คือการแผ่เมตตาอีกแบบหนึ่งอปยาป ช, ชาโหนตุแปลว่าการไม่เบียดเบียนกันสุขีอัตานางังเปริหารันตุคือการอยากให้เขามีความสุขก็ซื้อของมาให้เขาสิซื้อกว๋วยเตี๋ยวซื้อขนมซื้ออะไรมาฝากเพราะเขาได้รับของเขาก็ได้เขาก็ได้รับความสุขก็เรียกว่าสุขีอัตานางังเปริหารันตุแตาเวลาโหนตุ ก, ก็คือ เวลาที่เขาพูดหรือทำอะไรที่เราไม่พอใจก็ให้อภัยเขาอย่าแปลคาดพยายามอย่าไปโกรธเกลียดอันนี้อยากไปจองเวรพูดง่ายๆก็เรียกว่าอเวลาโหนตุนี่คือวิธีแผ่เมตตาต่างๆแผ่ส่วนใหญ่ต้องแผ่ให้กับผู้ที่มีชีวิตอยู่เพราะเราส่วนใหญ่ไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้นอกจากพวกที่เป็นนักปฏิบัติ ภาวนาอย่างพาบางรูปท่านไปภาวนาในป่าในเขาแล้วอาจจะมีพูดผีปีศาจมีเทวดาเทวดามาพบป่าท่านก็จะแผ่เมตตาให้กับเขาโดยตรงก็ทักทายเขาเหมือนกับเวลาที่เจอผู้ที่มีชีวิตอยู่ถามสาระทุกสุขดิบมีอะไรพอจะแบ่งปันกันได้ให้กันได้ก็ให้กันไปอันนี้ก็ทําได้สาหรับ พวกที่มีพลังจิตที่สามารถติดต่อกับพวกกายทิพย์ทั้งหลายได้แต่ของพวกเราส่วนใหญ่นี่เราต้องแผ่เมตตาให้กับพวกกายยาบทั้งหลายพวกพี่น้องพวกสามีภรรยาพวกเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนขับรถบนท้องถนนเนี่ยไม่ค่อยชอบแผ่เมตตากัยชอบด่ากันอยู่เรื่อยด่ากันอยู่ภายในใจหาวม่งจะรีบท้อนไปไหนวะ <c oughs> นี่ไม่ได้แผ่เมตตาแผเมตตาเออเอาเลยไปเลยพี่ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวน้องตามไปทีหลังก็ได้เรียกว่าแผ่เมตตาใจเราจะได้เย็นจะได้สบายมีความสุขผู้ที่แผ่เมตตานี้ท่านบอกว่าตื่นก็สุขหลับก็สุขแล้วก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เพื่อนรวมรถขับรถบนท้องถนนเขาจะไม่เกลียดเราถ้าเราไม่เป็นกันท่าเขาเขาจะเขาจะแซงเขา้ามาอย่าให้เขาแซงเขาจะเบียดเขา้าม่ให้เขาเบียดเข้าเยเขาก็จะโกรธเกลียดเราแต่ถ้าเราเปิดชิดายให้เขาพี่อยากจะไปไปก่อนเลยเขาก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเราเขาจะรักชอบเราจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและจะไม่ได้ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษเพราะไม่มีใครเขา เกียดเราจะคิดฆ่าเราทำร้ายเราอนอนหลับก็ฝันดีตายไปก็ไปสู่สุคติไปพบที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์คือพบของเทวดาหรือมนุษย์เนี่ยไม่ต้องไปเกิดในอบายนี่คือประโยชน์ของการแผ่เมตตาส่วนการอุทิศบุญนี่เหมือนกับการส่งเงินไปต่างประเทศเราต้องมีเงินแล้วเราไปที่ธนาคารบอกขอส่งเงินจำนวนนี้ไปให้กับบุคคลนั้นที่อยู่ประเทศนูน้นเอ ทางธนาคารก็จะจัดการให้ญาติโยมมาทำบุญกับพระพระก็เหมือนธนาคารเอาของญาติโยมมาแล้วก็ญาติโยมก็เอาบุญกลับไปแล้วญาติโยมก็เอาบุญนี้ส่งไปทางกระแสจิตอุทิศภายในใจว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับพ่อหรือแม่หรือคนที่ตายไปแล้วถ้าเขาอยู่ที่ตามที่เขากําหนดไว้เขาก็จะได้รับแต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาไม่ได้เป็นขอทาน เพาเป็นเศรษฐีเขาก็ไม่ต้องรับเงินที่เราส่งไปให้เขาปุนเพราะเขามีเงินมากกว่าเงินที่เราส่งไปให้คำถามต่อไปจากทาง u t u b e นะครับจากคุณทีแคตตี้นะครับ mm hmm. เคยทำผิดสินข้อสามแต่ได้เลิกแล้วถ้าจะกลับมาเป็นเพื่อนกันให้กำลังใจในฐานะเพื่อนเราจะผิดไหมคะถ้าตอบได้ไม่มีการเสพประเวณีก็ไ ม, ม่น่าจะมีปัญหาอะไร ก็เป็นเพื่อนกันได้กลบก้าสมาคมกันได้ตามปกติแต่ระวังฐานไฟเก่ามันจะลุกขึ้นมาหรือเปล่า <c oughs> ฉะนั้นต้องอย่าไปอยู่สองต่อสองก็แล้วกันถ้าจะพบกันพบกันก็ควรที่จะอยู่ในกลุ่มเนี่อย่างอย่างเงี้ยอยู่ที่ศาลาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรอย่าไปนั่งที่ไหนสองต่อสองคุยกันคำถามต่อไปจากทาง Facebook l i v e ครับ จากคุณพัชมนครับถ้ามีพ่อที่ผิดศีลห้าทุกข้อและสร้างความทุกข์ใจให้แม่และครอบครัวควรจะสอนตัวเองอย่างไรให้แยกแยะเรื่องการทดแทนพระคุณผู้ให้กําเนิดและกรรมที่พ่อสร้างกับแม่และให้สติแม่อย่างไรให้ปล่อยวางไม่ให้มีโมหะและอาหสิกรรมให้ก็คิดว่ากําลังอยู่กับเสิงสาราสัตว์เนอยู่กับ ง, าาอบงูอยู่กับสัตว์ที่มีพิษเราก็ต้องระมราาัดระวัง อย่าไปให้งูหรือสัตว์ที่มีพิษมากัดเราถ้าเรายังต้องอยู่กับเขาอยู่เพราะผู้ที่ไม่มีศีลก็เป็นเหมือนพวกเดรัจฉานนี่ถึงแม้ร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจเนี่เป็นเดรัจฉานไปแล้วเนีย่ยเราก็ต้องระมัดระวังส่วนเรื่องความเป็นพ่อเป็นแม่ความมีคุณกับกันนี่ก็ก็ยังเป็นยังมีอยู่เหมือนเดิมเราต้องแยกแยะสถานภาพเป็นส่วนๆไป ส่วนสถานภาพของเขาก็เป็นเดรัจฉานเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องกับสถานภาพของเขาส่วนที่เขามีบุญมีคุณกับเราเราก็ต้องน้ำลึกและเราก็ควรที่จะตอบแทนบุญคุณเช่นเวลาเขาหิวข้าวเขาไม่มีข้าวกินเราก็หาข้าวมาให้กินเหมือนกับเราเลี้ยงหมาอย้หมาไม่มีข้าวกินเราก็มาเลี้ยงมันเพราะหมามันก็ยังมีคุณประโยชน์มันคอยเฝ้าบ้านให้เราคอยเห่าให้เราเอง การทำต่อไปจากคุณเบียครับการภาวนานี้ใช้อานาปานาสติกับพุท ธ, ธานุสติร่วมกันได้ไหมครับได้บางคนก็ใช้พูดเข้าโถออกเนหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโถก็เรียกว่าใช้ทั้งพุท ธ, ธานุสติใช้ทั้งอานาปานาสติถ้าใช้อานาปานาสติอย่างเดียวก็ไม่มีพุโทโถ<ม>ดูลมเฉยๆดูว่ากําลังหายใจเข้าหรือกําลังหายใจออกให้ดูไปเรื่อยๆ หรือถ้าใช้พุท ธ, ธานุสติอย่างเดียวก็บริกรรมพุโทโธไปโดยไม่ต้องสนใจกับลมหายใจก็ทําได้ทั้งสามรูปแบบลมอย่างเดียวพุโทโธอย่างเดียวหรือผสมกันเหมือนพิจาราสมัยนี้มีหลายรถบางทีอยากจะได้สองรถก็ขอเอาสองรถใส่ไปในถาดเดียวบางคนก็ชอบรถเดียวออ คำถามต่อไปจากคุณสุพโชคครับสติปัฏฐานสี่หมายความว่าอย่างไรครับของก็คือคืองานที่เราจ ะ, จะเจริญสติงานที่เราจะเอาสติของเราไปตั้งอยู่เพื่อที่จะสร้างาพลังจิตขึ้นมาเพื่อให้ตัดกระแสของความอยากที่หนึงดูจิตใจของเราให้ติดอยู่ใน การเวียนว่ายตายเกิดกระแสจิตของเราตอนนี้ติดอยู่ที่กายอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่เวทนาคือความรู้สึกความสุขกระแสเราติดอยู่ที่จิตคืออารมณเ์เราต้องสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมา เ, นเพื่อที่เราจะได้ตัดความอยากในร่างกายความอยากในเวทนาความอยากในอารมณ์ของจิต ที่เรียกว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหามันก็ติดอยู่ในอารมณ์ของร่างกายภาวะตัณหาก็ติดอยู่ในอารมณ์ของจิตคืออารมณ์ของความสงบในรูปปัจจานารูปปัจจานี้ก็ต้องมีสติให้เจริญให้ศึกษาให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือกายเวทนาจิตนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับ ถ้าไปติดแล้วจะทุกเวลาที่มันดับเราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาหาร่างกายอยู่เรื่อยๆกลับมาหาเวทนาอยู่เรื่อยๆกลับมาหาจิตหาอารมอยู่เรื่อยๆ<ม>ต้องเจริญสติเพื่อให้เห็นเพื่อจะได้ใช้ปัญญาให้เห็นว่ากายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องดับไปคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณปริญญาครับ ขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ขณะนั่งภาวนาแล้วมีภาพต่างๆพุ่งเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ก็ยังกําหนดอยู่ภาพต่างๆมันก็ยังเข้ามาเข้ามาขอรับก็เราไม่มีพุทธโธไงถ้าเรามีพุทธโธแล้วมีลมภาพหลมนั้นมันก็จะไม่เข้ามานั่งสมาธินี่ต้องมีอะไรกํากับจิตไม่ใช่ปล่อยให้จิตนั่งดูอะไรไปเหมือนนั่งดูทีวีอย่างนั้นฮะนั่งสมาธิต้องมีพุทธโธต้องมีลมหายใจ เพื่อจะได้กํากับจิตให้สงบไม่ให้สร้างภาพต่างๆขึ้นมาหลอกจิตเองถ้านั่งแล้วไม่มีพุโทโธไม่มีการดูลมหายใจมันก็จะมีภาพเหล่านี้เตะขึ้นมาคําถามต่อไปจากคุณนพลครับสภาวะจิตหนึ่งเมื่อได้เสียความสุขดีก็อยากกลับมาเกิดอีกเมื่อเวลาทุกข์หนักมากๆก็อยากตายอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้กลับมาเกิดอีกอย่างนี้ จะต้องวางใจโปร่งใจอย่างไรดีครับเมื่อมันฟูฟูฟ้ฟองฟ้องอย่างนี้แสดงว่าการปฏิบัติของผมไม่ถึงไหนเลยใช่ไหมครับแล้วถ้ามันไม่ถึงไหนการที่ถูกสอบจิตย่อมไม่เกิดผลอันใดที่จะให้เกิดประโยชน์อย่างนี้ถูกต้องไหมครับใช่เราต้องทําจิตให้เป็นสมาธิให้ได้เป็นอุเบกขาให้ได้แล้วจิตเราก็จะปล่อยวางทุกอย่างได้ะ ตอนนี้เราถ้าเราไม่มีอุเบกขาพอเราสัมผัสกับอะไรเราจะลักจะชังขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรา ม, มีอุเบกขาเราจะเฉยเฉยปล่อยวางมันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดมันจะดับก็ปล่อยมันดับโดยที่ไม่มีความรู้สึกดีใจหรือเสียใจไปกับการเกิดดับของมันแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขานี้เวลาสิ่งที่เกิดขึ้นมาเราชอบเราก็อยากให้มันอยู่พอมันดับเราก็เสียใจ เวลาสิ่งที่เกิดมาเราไม่ชอบเราก็อยากจะให้มันดับพอมันไม่ดับเราก็ทุกข์ใจแต่ถ้าเรามีอุเบกขาเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็รู้เฉยๆรู้ว่ามันเกิดรู้ว่ามันดับรู้ว่ามันมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่มีอารมณ์กับมันไม่มีความรักความชังกับมันเรารับมันได้ทุกรูปแบบสุขก็รับได้ทุกข์ก็รับได้คาถามต่อไปจากคุณเฉลิมพลครับ เราควรกำหนดจิตอย่างไรดีในขณะทำบุญทำทานเพื่อให้ได้รับอนิสงค์บุญกุศลมากที่สุดครับก็ให้อยู่สติกับการทำบุญทำทานเนี่ยอย่าไปอยู่ที่อื่นเวลาใส่บาตรก็ให้มีสติของาใส่บาตรก็เท่านั้นนหะทำใจให้มันเฉยๆอย่าไปปรุงแต่งแล้วใจจะมีความสุขจากการที่เราได้ทำความดีแล้วนี่แหละคือบุญคือความสุขใจ ถ้าทำไปแล้วไปวิาพากษ์วิจารณ์คนรับไหว้หามไม่น่ามีเยอะแยะแล้วรับอีกทำไมอย่างวุ่นอย่างนี้มันก็แทนที่จะมีความสุขมันก็จะไม่มีความสุขหรือไปทำบุญแล้วไปเจอคนที่เราไม่ชอบไม่อยากจะให้เขาแต่ทำเป็นจะต้องให้เขาอะไรอย่างนี้มันก็จะไ ม, ไม่ได้บุญขึ้นมารือทำบุญอย่าวิวาพากษ์วิจารณ์ถ้าอยากจะทำก็ทาไปให้ไปใครจะรับก็รับไป เราต้องการให้อย่างเดียวส่วนผู้รับจะเป็นใครก็เรื่องของเขาแล้วเราก็จะได้บุญจากการให้ของเราคำถามต่อไปจากคุณจากอินบ็อกซ์นะครับจากคุณหมูครับไม่ประสงค์ออกนามครับ <laughs> <laughs> นี่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นคุณหมาแล้วะ <laughs> จากที่ฟังเมื่อวานก่อนความโลภโกรธหลงเป็นผลของความอยากนั่นก็คือเป็นทุกข์ ถ้ามีโลภแล้วได้ตามที่อยากจะสุขเราก็ควรหยุดด้วยพุทโธคิดว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างนี้ไปก่อนใช่ไหมครับอ่าใช่ทํายังไงก็ได้ขอให้เราอย่าไปทําตามความโลภทําตามความอยากก็แกันแล้วเมื่อเราไม่ทําตามความโลภความอยากมันก็จะอ่อนกาลังลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะหมดกําลังคําถามต่อไปจากคุ ณ, ณพนพลครับคนที่ได้คบมารักกันเป็นแฟนกัน เป็นคนที่เคยมีบุญมีกรรมร่วมกันมาในอดีตชาติด้วยหรือเปล่าครับหรือเป็นเพราะเหตุปัจจัยที่เราเลือกเองแล้วที่ได้เลือกกันไปแล้วที่ได้เลิกกันไปเป็นเพราะเราหมดบุญกรรมที่เราเคยมีร่วมกันใช่หรือไม่ครับก็แล้วแต่เราจะวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเราไม่รู้จริงเราก็ไม่รู้จริงว่าอดีตเรามีอะไรกันหรือเปล่าสิ่งที่เรารู้ได้ก็แค่ในปัจจุบันว่าเราเห็นคนนี้เราชอบเขา เราอยากจะอยู่กับเขาเขาก็มาร่วมอยู่กับเราพอเราเบื่อเขาเขาเบื่อเราก็ไปคนละทางกันก็ไม่ต้องไปรู้มากก็รู้แค่นี้ก็พอ <c oughs> เหนื่อยไปหน่อยคำถามต่อไปจากคุณสิงห์ดีๆครับถ้าเรามาฟังธรรมและนั่งสมาธิเราน้อมบุญระลึก ถ, ถึงให้แม่ที่ไม่สามารถมาได้แม่จะได้ด้วยไหมคะไม่ได้หรอก เราต้องเอาเครื่องนี้ไปตั้งไว้ที่ห้องแม่เครื่องรับเนี่ยแล้วให้แม่ฟังด้วยถ้าแม่ฟังแม่ก็จะได้รับบุญด้วยบุญนี้เป็นของใครของมันคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณนันทนาครับโยมได้ไปปฏิบัติธรรมกับสำนักแม่ชีไม่มีพระรู้สึกดีมากค่ะสถานที่สะอาดเป็นระเบียบมีวัดอยู่ข้างๆด้วยแต่ไม่เกี่ยวข้องกัน สถานที่ที่พระอยู่ตรงข้ามกับแม่ชีเลยค่ะปฏิบัติธรรมกับแม่ชีได้บุญเท่ากับวัดที่มีพระไหมคะอ๋อบุญไม่ได้อยู่ที่พระและอยู่ที่แม่ชีบุญอยู่ที่ที่ใจของผู้ปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติมีธรรมผู้ปฏิบัติก็จะได้บุญถ้าผู้ปฏิบัติไม่มีธรรมก็จะไม่ได้บุญไม่ได้อยู่ว่าอยู่ที่พระแล้วอยู่ที่อยู่ที่ชีนะอันนั้นเป็นเพียงแต่ส่วนประกอบ ที่จะทําให้เกิดธรรมขึ้นมาในใจเรามากน้อยต่างกันถ้าไปอยู่กับพระที่มีธรรมมากก็จะได้ธรรมมากในใจถ้าไปอยู่กับพระที่มีธรรมน้อยก็จะได้ธรรมน้อยถ้าไปได้อยู่กับแม่ชีที่มีธรรมมากก็จะได้ธรรมมากดังนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าแม่ชีหรือพระอยู่ที่ธรรมที่มีอยู่ในใจของพระของแม่ชีมากกว่าคําถามต่อไปจากคุณอาริพรครับพ่อเป็นคนดื่มสุราหน่ะ แต่ไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครอยู่เงียบๆไม่เคยออกไปดื่มนอกบ้านทำบุญสุนทานเยอะมากช่วยเหลือผู้คนวัดวาอารามมาตลอดมาเลิกดื่มตอนอายุ80เสียชีวิตตอนปลายปีที่ผ่านมาอายุ83อยากทราบว่าพ่อจะได้รับผลบาปหนักจากการดื่มสุราไหมคะเออถ้าไม่เลยไปทำบาปอีกสข้อก็ไม่มีผลอะไรเพียงแต่ว่าการดื่มสุราก็จะทำให้เสียเวลา อันมีค่าแทนที่จะเวลาไปนั่งไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ไปนอนกอดเหล้านอนหลับไปกับขวดเหล้าก็เสียเวลาอันมีค่าของการที่ได้บังเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนามีโอกาสที่จะบรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ถูกสุราเป็นตัวขัดขวางไว้เท่านั้นเองตัวสุราเองนี้ไม่ได้เป็นบาป เป็นเพียงแต่ตัวที่จะส่งเสริมให้เราไปทําบาปหรือไม่ได้ไปทําบุญคํถาถามต่อไปจากคุณวิพาพรณ์ครับเวลานั่งสมาธิจะดูลมหายใจสักครู่รู้สึกลมหายใจเบาและร่างกายเบาสบายจนไม่อยากออกจากสมาธิเรียกว่าหลงไหมคะ อ, อไม่หลงหรอกสมาธิก็เป็นอย่างนี้พอจิตเข้าสมาธิแล้วมันก็ไม่อยากจะทําอะไร ก็ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นไปจนกว่ามันจะหมดกําลังแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาเองอยู่ได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีอย่างนี้ไม่เรียกว่าติดสมาธิหรอกติดสมาธิก็หมายถึงว่าเอาแต่สมาธิไปทั้งวันทั้งคืนเป็นเป็นปีๆอย่างเงี้ยถึงเรียกว่าติดนะแต่เพิ่งนั่งสมาธิข้าข้างสองข้างแล้วจิตสงบแล้วสบายแล้วไม่อยากออกนี่ยังไม่เรียกว่าติดนะต้องให้มันสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการ แล้วหลังจากนั้นอนะ่ะถ้าเราไม่ออกไปทางปัญญาตรงนี้เรียกว่าติดสมาธิการออกทางปัญญาก็ไม่ได้หมายความว่าให้ออกในขณะที่เข้าไปในสมาธิการออกทางปัญญานี้หมายถึงหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเช่นนั่งสมาธิอยู่สองชั่วโมงนี่แล้วค่อยออกมาจากสมาธิพอออกมาแล้วแทนที่จะไปคิดถึงขนมนมเนยก็ให้ไปคิดถึงอสุภะบ้างคิดถึงตายลักบ้างแทน อย่างนี้ถึงเรียกว่าออกไปทางปัญญาคำถามต่อไปจากคุณพงชัยครับการปล่อยสัตว์แล้วเราทานกับไม่ทานอันไหนได้บุญหรือไม่ได้ครับก็สัตว์ที่ปล่อยไปมันก็ไปของมันแล้วล่วะส่วนเราไปที่ร้านแล้วมันมีสัตว์ชนิดเดียวกันเข้าขายอยู่แต่มันเป็นสัตว์ที่ตายแล้วเราไม่ได้ไปสั่งให้เขาฆ่ า, ามันก็ไม่มีผลอะไรกัน นทนี้คาถามหมดครับหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามไหมถามเข้ามาหน่อยได้ไหมมาที่บันไดนี้รนครับกลับนวมบสการ์พระอาจารย์ครับอวันนี้ท่านพระอาจารย์เมตตาเทศนาเรื่องตัณหาสามนะครับก่อนหน้านี้ผมก็มีตัณหาแล้วก็ใช้ตัณหาเป็นแรงบันดาลใจทำงาน อยากมีบ้านอยากมีรถแล้วก็พยายามขยันทำงานสร้างบ้านซื้อรถแล้วอยู่วันหนึ่งไม่อยากมีละไม่อยากได้ละเหมือนบทฝ่ายคล้ายๆกับว่าคงคงทำผิดควรจะใช้อะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจถึงจะถูกครับก็เรื่องของความอยากนี่มันก็เป็นอารมณ์มันไม่เที่ยง ฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรต้องใช้เหตุผลแทนใช้ความอยากเชนเราต้องมีบ้านหรือเปล่าถ้ามีก็หามามอมีบ้านแล้วก็จบไม่ต้องไปให้คอยเปลี่ยนบ้านอยู่เรื่อยบ้านที่ซื้อมาพักเบื่อล้วอยากจะได้อีกแบบหนึง่งอะไรี้ก็อยู่มันไปบ้านมีไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆเป็นที่เราพักผ่อนหลับนอน คือการดำรงชีพของเราอย่าเอาอารมณ์ความอยากมาใช้เพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เอาเหตุผลมาใช้แล้วเราก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องของความอยากเช่นมีเสื้อผ้าพอแล้วถ้ายังอยากมีอยู่นี่ก็ควรจะหยุดมันถ้าเสื้อผ้าไม่พอใช้แล้วไม่อยากซื้อก็ต้องบังคับให้มันซื้อ เพราะว่าเสื้อผ้าไม่พอใช้ใส่ชุดเกา่าชุดเดียวไปทุกวันส่งกลิ่นเหม็นไปอยู่กับใครคนเ้าก็หนีอย่างนี้เราก็ต้องบังคับว่ามันมันน้อยไปก็ต้องมีมาซักมาเปลี่ยนแต่ถ้ามีพอแล้วแต่อยากจะได้อีกอย่างนี้ก็ต้องหยุดความอยา ก, กว่ามไม่จำเป็นเพราะความอยากมันจะทำให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อย มีเข้ามาอีกสิเข้ามาต่อการเวลาถ้าถามเ ม, มา<ะ>่อไรก็หยุดเมื่อนั้นนะครับคทถามต่อไปจากเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับจากคุณกิติพัฒน์ครับนั่งสมาธิดูเพียงลมหายใจหรือว่าต้องพิจารณาหัวข้อธรรมด้วยครับเช่นอริยสัจสี่ขันห้าเออเวลานั่งสมาธินี่ไม่ต้องการพิจารณาต้องการให้หยุดคิดนะยันให้เพ่งแทน เพ่งดูลมหรือเพ่งพุทธโธไปอย่าพิจารณาธรรมต่างๆไว้รอเวลาไม่ได้นั่งสมาธิแล้วค่อยมาเพ่งมาพิจารณามันคนละวาระกันถ้าเป็นการเรียนก็คนละคาบกันะสมาธิเป็นคาบนั่งสงบไม่คิดอะไรปัญญาเป็นคาบของการคิดคิดให้เกิดความรู้เกิดความฉลาดขึ้นมาไม่ได้ทําในคาบเดียวกันเวลานั่งสมาธินี้ไม่คิดไม่ให้คิด หยุดคิดให้รู้เฉยๆเวลาปัญญานี่ไม่ต้องเพ่งให้คิดให้รู้ให้ศึกษาให้เข้าใจว่าทำสิ่งนี้เพื่ออะไรสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไรไม่ได้เรียกว่าปัญญาคำถามต่อไปจากคุณจินตนาครับทำอย่างไรให้นั่งสมาธิได้นานขึ้นก็ต้องมีสติแล้วมีเวลาบางคนมีสติแต่ไม่มีเวลา พอจะเวลาไปทําอย่างอื่นมันก็นั่งไม่ได้นานนั่งสิบห้านาทีก็อยากจะลุกไปขี่จักรยานไปตีเทนนิสนี้ไปดูหนังมันก็จะไม่มีเวลานั่งนานหนึ่งต้องมีเวลานั่งสองต้องมีสติถ้ามีเวลาแล้วไม่มีสตินั่งเดี๋ยวเดียวก็นั่งไม่ได้เพราะเดี๋ยวความอยากจะลุกมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วทําให้นั่งไม่ได้เพราะฉะนนต้องมีสติต้องมีเวลาถึงจะนั่งได้นาน คำถามต่อไปจากคุณทิดารัตครับการถือศีลข้อที่ห้ามจับเงินหรือทองถ้าเราใส่แหวนพระที่ทำจากทองกรอบเป็นทองถือว่าผิดหรือเปล่าคะก็ไม่ควรนะเพราะว่ามันเป็นของมีค่าแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายกับเราส่วนหนึ่งที่ไม่ให้พระถือเงินถือทองเพราะพระชอบไปอยู่ที่เปล่ยว ถ้ามีเงินติดตัวไปเดียวพวกที่ติดยาเสพติดมันจะมาตีหัวพระแล้วก็จะมาเอาเงินทองไปมีข่าวอยู่เลยพระทุดดงไปทุดดงใกล้กลแถวตะแวกบ้านเนี่ยตางเคยก็พวกติดยามันก็รู้แล้วเนี่ยพระทุดดงต้องมีเงินแน่แ น, แน่เพราะมีคนมาทําบุญแล้วก็มาทำร้ายร่างกายท่านได้อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ไม่ควรจะมีของมีค่าสําหรับพระของนักปฏิบัติน ถ้าเป็นคารวะาญาติโยมนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งคารวะาญาติโยมนี้จําเป็นจะต้องใช้เงินเป็นเป็นปัจจัยในการดํารงชีพแต่พระนี่มีญาติโยมเป็นผู้หาปัจจัยการดํารงชีพให้ก็เลยไม่มีความจําเป็นคํถาถามต่อไปจะคุณชวนครับทําไมญาติโยมชอบกินข้าวก้นบาตเมื่อพระฉันเหลือญาติโยมจะแบ่งกันกินเห็นบ่อยเลยสงสัยขอรับ ก็เป็นความเชื่อว่าถ้าเป็นของครูบาอาจารย์ของพระที่วิเศษอาหารก็ต้องวิเศษตามไปด้วยแล้วคนกินอาหารนั่นก็จะได้วิเศษตามเท่านั้นเองเป็นความเชื่อความจริงมันไม่มีอะไรหรอกข้าวมันก็เป็นข้าวอย่างนั้นจากคุณลิลลี่ครับจะรู้ได้อย่างไรว่าคือแยกรูปแยกนามค่ะอ๋อก็เช่นเราแยกร่างกายจากใจคือเราเราเป็นใจร่างกายไม่ใช่เรา ร่างกายมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปนี้ถ้าเราปล่อยร่างกายได้ก็แสดงว่าเราแยกร่างกายได้เวลาร่างกายเจ็บเราไม่เจ็บกับมันนี้ก็แสดงว่าเราแยกเราแยกได้ถ้าเรายังเจ็บกับร่างกายยังตายกับร่างกายก็แสดงว่าเรายังไม่ได้แยกออกจากกันคำถามต่อไปจากคุณกาแฟครับไม่สบายนอนสวดบนจะได้บุญไหมครได้ถ้านอนแล้วไม่หลับนะต้องนอนแล้วสวดแล้วใจสงบก็ได้บุญ คำถามต่อไปจะกคุณพงชัยครับอาภัพคู่เกี่ยวกับกรรมไหมครับอาภัพก็อยู่ที่การการทําตัวเราเองมั้งตัวเราเองถ้ามันไม่มีสเสน่ห์มันก็อาภัพไม่มีความเมตตามันก็อาภัพคนที่ก็มีเมตตาก็จะมีคนที่เขารักนะยั้นอยู่ที่การขาดความเมตตามากกว่าคนที่อาภัพนี่ก็เพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีความเมตตามีคนเป็นคนเห็นแก่ตัวะ ไม่คิดถึงคนอื่นแล้วจะมีคนอื่นเ็าจะมารักเราได้อย่างไรแต่ถ้าเราคิดถึงคนอื่นเราทำอะไรให้คนอื่นเดี๋ยวคนอื่นเขาก็รักเราเองคำถามต่อไปจากคุณอภิชาติครับสร้างกุฏิแล้วยังไม่มีพระอยู่ได้บุญไหมครับอ๋อผู้สร้างผู้ผู้บริจาคเงินนี่ได้บุญไปแล้วส่วนผู้ที่จะมีใครอยู่ไม่อยู่นี่ไม่สาคัญเพราะว่าบุญเกิดจากการเสียสละทรัพย์ของเราไป เมื่อเราเสียสละทรัพย์นี้ไม่ได้เป็นของเราแล้วก็ถือว่าจบหรือว่าเอาเงินถวายพระแล้วพระท่านยังไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรเราก็ได้บุญอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของเงินก้อนนั้นแล้วเราสละสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของเงินนั้นคำถามต่อไปจากคุณสมศรีครับพระผูกข้อมือให้โยมผิดไหมคะบางทีก็เป็นโยมผู้ผหญิงคือ ผ้ากับผู้หญิงนี่ไม่ควรที่จะเข้าใกล้เวลาถวายข้าวของก็ไม่ควรรับกับมือใช้ผ้ารับเอาเพราะเวลายื่นอะไรให้กับมือนี้บางทีมันอาจจะพลาดไปแตะต้องกันได้แล้วมันจะทําให้ไฟกามารมณ์มันเกิดขึ้นได้เะฉั้นก็ระวังเพศของผ้ากับข้าวละว่าคือผู้หญิงนี้จึงต้องมีมาตรการ เ, าเข้มข้นป้องกันไม่ให้กระแฟกระแสไฟของกามารมณ์เกิดขึ้น คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณทิมครับก่อนนอนถ้าเปิดธรรมะจาก youtube แล้วนอนฟังธรรมะจนหลับจะบาปไหมครับถือว่าเป็นการไม่เคารพธรรมหรือเปล่าครับเพราะนอนฟังก็จะว่าบาปมันไม่ได้บาปแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเคารพหรือไม่เคารพนี้มันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งท่านอนการเคารพธรรมก็ต้องเคารพด้วยการมีสติฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งนีเรียกว่าเป็นการเคารพธรรม ถ้าฟังแล้วเป็นการกล่อมให้หลับอันนี้ก็เป็นเป็นการใช้ธรรมะเป็นยานอนหลับไปคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณกิติพัฒน์ครับวิปัสสนากรรมฐานกับนั่งสมาธิเป็นอันเดียวกันไหมครับไม่นั่งสมาธิก็ทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบวิปัสสนาก็สอนใจให้ฉลาดคำถามต่อไปจากคุณวัดครับลูกที่บวชให้พ่อแม่ พ่อแม่เกาะผ้าเหลืองจะได้บุญหรือเปล่าครับหรือว่าตายแล้วไปสวรรค์หรือเปล่าครับอ๋อคำว่ากาะชายผ้าเหลืองนี้เป็นเพียงคําเปรียบเปรยไม่ใช่เป็นความจริงเนี่ยคว่าเกาะชายผ้าเหลืองก็คือเวลาลูกบวชแล้วลูกก็อยู่วัดเนีพ่อแม่อยู่บ้านก็คิดถึงลูกก็มาหาลูกที่วัดเนี่ยมาวัดก็ต้องเอาข้าวของมาทําบุญเนีก็เลยได้ทําบุญนีถ้าลูกไม่มาบวชก็ไม่ได้มาวัด ไม่ได้มาทำบุญก็<ม>เลยไม่ได้เกาะชายผ้าหรือความหมายก็อยู่แค่ตรงนั้นอาศัยการบวชของลูกเป็นอุบายที่จะ ด, ดึงให้พ่อแม่ที่ไม่มีเวลาทำบุญได้มาทำบุญคาถามต่อไปจากคุณตาปีครับควรทำบุญให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วแบบไหนดีคะท่านจึงได้รับส่วนบุญจริงๆก็ก็มีทำได้อย่างเดียวก็คือทาบุญให้ทานถวายข้าวของ อะไรต่างๆไปแล้วก็อุทิศบุญไปส่วนบุญที่เกิดจากการรักษาศีลนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี้ไม่ไดไ้ไม่ได้ใช้ในการอุทิศเนี่ยเป็นบุญเฉพาะของเราเองคำถามต่อไปจากคุณพัทราพรครับซื้อหวยใต้ดินผิดศีลไหมคะแล้วเรื่องโชคลาภถึงเวลาได้เองใช่ไหมคะก็ซื้อมันก็ไม่ผิดไม่ได้ไปขโมยก็มานีม่มันก็ไม่ได้ไปขโมยเงินเ้า เป็นการเหมือนกับเป็นการซื้อสินค้าซื้อเลขมาก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งแล้วเลขนี้ก็มีคุณค่าต่างกันไปจากศูนย์ถึงพันถึงหมื่นถึงแสนก็แล้วแต่ว่าเลขนั้นจะจะมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าซื้อมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็สามารถไปแลกเลขนั้นมาเป็นเงินทองได้ก็เป็นเหมือนกับการซื้อสินค้าอย่างหนึ่ง คำถามต่อไปจากคุณพรพิษครับปฏิบัติมาประมาณ20กว่าปีแต่ไม่ต่อเนื่องไม่รู้สึกว่าดีตรงไหนนั่งสมาธินานๆปวดเมื่องร่างกายทั้งตัวและไม่เกิดปัญญาเลยจะปฏิบัติอย่างไรดีถึงจะทำให้เกิดปัญญาได้ครับก็เหมือนหุงข้าวแล้วข้าวยังไม่ทันสุกก็ดับไฟไว้ก่อนหุงกี่ครั้งข้ามันก็ไม่เคยสุกสักทีปฏิบัติธรรมถ้ายังไม่ปฏิบัติถึงขัน้นที่มันจะได้ผลมันก็ไม่ได้ผล ต้องปฏิบัติให้มันถึงขั้นที่จะได้ผลถ้ายังไม่ได้ผลก็อย่าหยุดปฏิบัติมันถึงจะได้ผลถ้าทําไปแล้วเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หยุดเนี้ยเหมือนกับหุงข้าวตั้งข้าวไว้ห้านาทีก็ปิดไฟละขี้เกียจรีบไปทํางานทําอย่างอื่นข้าวที่หุงไว้ก็ไม่เคยสุกสักทีอันนี้ก็เหมือนการปฏิบัติได้สักแป๊บหนึ่งก็หยุดปฏิบัติและไม่ปฏิบัติต่อไม่ปฏิบัติไปจนกว่ามันเกิดผลขึ้นมามันก็เลยไม่ได้ผล มีอีกสามคำถามนะครับーーรจกักุนิจารีครับเวลาขับรถผ่านข้างถนนเห็นพระธุดงเดินมาแต่ในรถเรามีกล้วยครึ่งหวีที่เรากินไปแล้วสามารถใส่บาตรได้หรือไม่คะหรือไม่ควรใส่เลยก็ถ้ า, อ ย, าอยู่ในช่วงที่ท่านบินทบาทอยู่ก็ใส่ได้แต่ถ้าท่านไม่ได้บินทบาทท่านเดินไปเฉยๆก็อย่าไปรบกวนท่านให้ท่านต้องเอามันไม่ใช่เวลาต้องดูว่าท่านบินทบาทรหรือเปล่า ถ้าท่านบินดาบอยู่แล้วเรามีศรัทธาอยากจะทำบุญกล้วยที่เรากินแล้วส่วนที่กินก็อย่าไปให้ท่านเอาส่วนที่ยังไม่กินไม่ใช่ใชกินกินไปข้างลูกแล้วครับใี่ชายต่อไป คำามต่อไปจากคุณวิภาพรณ์ครับเวลาทําบุญมักจะอธิษฐานว่าขอเกิดเป็นผู้ชายและขอบวชในพุทธศาสนาตลอดชีวิตจะเป็นดังจิตอธิษฐานใหม่คะไม่ได้หรอกการอธิษฐานผลไม่ได้ต้องอธิษฐานที่เหตุถ้าอยากจะเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องหัดทําตัวเป็นผู้ชายเปลี่ยนนิสัยใหม่หัดศึกษาที่สัยของผู้ชายเขาเขาเป็นยังไงเขาตะระหดบึกบึนเขากล้ า, าหาญเขาอดทนอะไรทํานองนี้ เราก็ต้องหัดทำตัวเราก็จะกลายเป็นหญิงเข้าไปเราต่อไปชาติหน้าจะได้เป็นผู้ชายเพราะใจมันเริ่มกลายเป็นผู้ชายไปแล้วเพราะใจกลายเป็นผู้ชายชาติหน้ามันก็จะไปได้ร่างกายของผู้ชายเหมือนกับผู้ชายที่จะเป็นผู้หญิงเนี่ยชานี้ก็ทำตัวตุ้มเดีมเดี๋ยวตายไปก็กลับมาได้ร่างกายของผู้หญิง คำถามต่อไปจากคุณจตุพรครับการนั่งสมาธิมีกี่ฌานและแต่ละฌานเป็นอย่างไรครับก็นี่แหละบอกที่นิเทศมีสองระดับรูปฌานกับรูปฌานรูปฌานก็มีสี่อรูปฌานก็มีสี่อยากจะดูรายละเอียดก็ไปใส่ใน Google ได้แล้วก็จะมีบอกรายละเอียดต่งตางๆหมดแล้วใช่มหมยังมีอีกสามคำถามพอแล้วพอแล้วนี่เสกมัน <laughs> หมดเวลาแล้ว